การเจ็บทำนมะสูกๆตังๆอยู่บ่อยๆทำน่ะเป็นอย่างอื่นที่จะสูดเกล็ดของเก่าเหมือนกันกับอาหารทางซ้าและทานกระทานกบปากของเก่าอาหารที่เราเทานและกระทานเหืวซยมีอาหารอะไรกัะทานเดียอะไรใจจะได้มีวามสึกการสบาย ยร่องอาหารท้องใจเรื่องของธํามะจะทำหน้าโยกันไหนมีท้างไหน่มาจากที่ไหนอากกระตัที่ไม่ที่อใจมาอย่างเอวันศึกษาที่เลือดคใจหน้าให่ปัญหาคลใส่หน้หม่เป็นท้องเก่าที่ทาเทอะไรไม่ยิ่งใหเดืดรอนอยู่ทุกวันนี้ในส่วนที่มีมาจากที่ไหนนั่นก็เกิดจากกายจากใจทั้งสองเรานี่แหละ แต่เราแต่ไม่เห็นโทษเหโทษของมันหรือเห็นแต่ยังมีวิธีคการปฏิบัติเกิสังจัดตัดเต่าอย่างไรนี่นให บ, าบาเาดงลงไป้หาหาจากใจระฉะนั้นเรื่องธรรมนีจเป็นเรงืงทัท้คเราจะต้องศึกษาตั้งแ น, น่ปฏิบัติเกิดสังจัดโลาในคือช่เหลือการหาของใจให้รู้ เรืองของใจในอย่างนั้นใจต้องเกี่ยวไรท่านจะไม่มีวันจะสงบเยียวย็นให้ถ้าเรท่้งของใจมันตายหนสัวโรคอืน่นที่จะไปเบียเดเบียเนเรื่องั้งใจหน่มี่มาจากโรคที่หลนะือปัญหาในนักพิชิตโรคอารมณ์ั้ำยังอยู่ตัขึ้นมาจากตัวของมันเองเหมือนกันกับคนนี้ มันปวจากเหล็กจะมันตัดกินเหล็กตัดไปเอาไว้ในขัดถูในรักษามั น, นเป็นในบางส่วมคุณนภาพเหลื่อยไปเส้นปีสุดเลยใช้ในบ้านเสือาหายับเยินต็มหมดมนจิตใจทั้งสองเราใช่แต่ทำไมเยอะกั น, ท, นที่เดืปันหายในเรื่เกิดขึ้นมาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากเตืทอขงเรา อารมณ์สัญญ์ผิดฐานมาจากอดีตด้วยขาดขันตปนนี้นขันน่เดีวยวจะอนาคตเป็นเรื่องเก่ยวเรื่องเสียต่างๆเกี่ยวกับชีเลเดี๋ยวจะตั้งหัาทำจิตทำใจของพวกเราท่านให้เดีย ว, วร้อนเย็นได้กระสับกระส่ายโดยตามสัญญาอารมณ์เหล่ยนั้ น, น, นหนีหมาถึงสุขสติในสมบูรณ ไม่มีตัแหาง่งยังเทอที่จะขับไล่อารมณ์ทั้งยานั้นไห่ตกใจเะนั้นคู่สุดสั้นตั้งแนปฏิบัติธรรมนะคือสุดสั ง, ง, ามมสสงจากภายในั้งตัวรูอเข้าใจทุกไงนะทุกเวลาน่าจลอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจากใจของตั ว, ต ว, ตวดันทาบดันเขาใจละเใจ ตอนที่จรมาเด้วยวสติด้วยัวตาน่จาจะเป็นทางนํามาเ ก, กิดคุกหรือเกิสุขอย่างไรอารมณ์แบบนี้ถ้าเราทราบดีใส่ใจในเรื่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นสังขานที่เป็นขึ้นจากจิตจากใจทุกระยะทุกเวลาแล้วใจตอนที่จรมาเดี๋ยวสติตัมยาขาดต่วเสียเกิดขึ้นเกิดขึ้นตป็ขึ้น แล้วก็รีดกาจัดอารมณ์บาอย่างเสียนนั้นให้จกไปใจก็ไม่เกิดทุกข์เกดทุกข์ลบากยากลุถพอเรากาจัดมันออกไปด้าส่วนใดที่จะนำมาขก้รามสงบสุขละงับทุกข์ทางจิตทางใจเสียนนั้นเรามัรรืนรักษาเอาไว้ในเด็กกำจัดขับไล่เหมือนความเสื่อความเสียของใจนี่คือทางปฏิบัต ที่ปฏิบัติจะต้องค่าบต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ในอย่างนั้นก็จะบนเทละเมอฝันเตอร์วันนี้ทํำไมจิตไม่ดีวันนั้นเห็นมันดีสงบแต่วันนี้เยืดซึ่งเปลงไปต่างๆน่นไมนมีทางที่จะรักษาไม่มีทางที่จะรักมันเป็นแบบนั้ น, นมันมีตันอยู่ โดยเด่นเนี่ยอะไรหนึทันยงอารมณ์ัณยาใาาาีจาดะอะไรมันเป็นต้นเหตุที่จะทำอารมณ์ัญญาเสื่อนั้นจิตใจของเรา่วนสันเสือหายก า, ารฝึกจิตอใจทางปฏิบัติทันทีหนึ่งรึ้นสติขึ่งตัณย์เพราะส ต, ติัญญาจิตจิตใจสคัญ ที่จะเปิดการสืบการสบายนะฮะอยนี้คุณจแบอไหนที่จะสำคัญเข่าสติเข่าปัญญ า, านจึงสบเลือดอย่านี้สติ อ, อนี้ปัญญาปัญญานั้นั น, น, นะนเกิดขึ้นได้หลายขั้นหลาย ต, นตนยาอนปัญญาส่วนต่ำส่วนจา้า เสียงสุด eh! มันมีปัญญาที่ตัณฑ์ว่าสุตตะเมญะปัญญาเป็นปัญญาโลกองอาศัยการศึกษาระดับรัจากคออาจารย์จากตำหน่ตำลาน่เป็นสตตะเปัญญาเป็นปัญญาอันหนึ่งเนี่ยศึกษาได้นะเราก็มีปัญญาที่จะจกคิ มีอะไรเกิดขึ้นเราเคยเห็นแดดแสงตำราที่จำมาเคยไปยินเชื่อไดรใจนั้นสอนเราขอนนะนำแจกไข่สิหล่านั้นพอเป็นไปเป็นบังตามดังสมัยยินมตาไมยะตั้งยาตั้งาสั่งตานั้นอาศยว่าได้ยินได้ฟังแล้วแนะนำแบบจิตชีวิตจารณให้รู้ให้พอใจยจ่พอใจ เป็นตัณญาได้นั้นส่าที่นาะตางศึกษาตาเห็นนี่ได้ยินใจคิดความเหัญาหน้ า, าที่จะแกไขสนต่างๆนแนวตัวได้ขอมควรนี่เห็นต า, าตนยาัณญาเป็นตัณญาสองเราจริงจังส่วนแายในในยาตัานั้นม า, นานนมถึงเสี่ยวกัเราท่านที่เปนนักปิบัต จิัอดร้นิตใจใหมสมาธิหนักแน่อสมควรระงับระงับดบไม่แวนได้ในจิดหอบแงจากความร้วนของใจในที่นี้คือในอะไรจริง่เราเคยสงสัยผ่อนใจนั้นมันจะตกใจขาดจจะปวดตัยหรือใจเดือชัก หรือใาอย่างนั้นเกิดการต่างๆที่จะเกิดขึนหรืจะเป็นไปด้วยอำนาจใจที่มีอักมีทำมีความสำร็จเป็นที่นฐานนั่งตองคิดตองึ้นบอกอันนั้นจะเป็นองนั้นอันนี้จะเป็นอย่างนี้บอกกานเรื่องนั่ทั้งที่เราไม่เคยนึดคิดไม่เคยใสสัแต่มันจะเป็นไปได้เราต้องทำจากใจของเราได้ถ้ไปถึงขั้น จิตตั้งจากภายในทั้งตัวในการปฏิบัติอยู่สถานคือใดมีธรรมะเป็นเสียงรักษาใจต่สถานคือใดมีธรรมะจิตตามไปนี่เจอๆๆฝึกจิตใจในถ่อถึงธรรมะในเอวยายากจนมีธรรมะะจจำอยู่ตลอดไรจะตลอดเวลา ตามใทั้งจิตั้งใจขึงจะถึงขั้นภาวนามะยะปัญญาแล้วมันจะทราบเร่อนมันจะไขคือเดือดปัญหาของมันเพราะทุกละยะทุกเวลามันอยู่ในวงั้งคำนยถึงจะพูดแต่ทำงานงานอื่นอยู่แต่ตามแต่ทำในของจิตตัวสถิปัญญา การจับรักษาเร่องตั้งอานารกาึงทั้งใจไม่เค่เสือพัน ท, ทุกการทุกสมัยครับคุณนมายเมื่ลไรแต่ทราบอันนี้ดีอันนีเชื่อมันทันอยู่ตอลอดเวลาแล้วมันจะขายปกหาดออกไปอย่างไรมันจะทราบอีกเมื่อทราบเห็นเด่นชับในการจัดทําบันเพิ่มทั้งตัวนนั้นทั้งๆที่ไม่เคยศึกษา จากคือจากอาจารย์ด้ไม่เยอ่นานตามตำลับตำรา น, น, นั่นเกิดขึ้นจนขึ้นอาจารย์เห็นความสมองเตลึกหนคือเป็นคำของเตัวเองเราเชื่อเราเข้าใจจำได้แน่ยันไม่มีการหล ง, ล, ง, ล, งลืมเหนเราศึกษาสลับแรกฟังมาด้วยอ่านตหลับตาราสิ่งเราจำมาจากคำยา มันมีการหลงการลืมการเลอะการเรียนไปต่างๆแต่การที่เราที่นี้ที่เจอมาเราปฏิบัติข้าถึงขั้นภาวนาในวัตปัญญาณนั้นไม่มีการหลงลืมเราจะพูดให้คนอื่นฟังหรือไมนะ่นั้นเป็นเรื่องของเราอีกถ้าเกิดไปจ่าก็าดีคืออาจารย์ก็ดีใน ใคร่าท่าเห็นอะไรทํารู้อะไรทํานจะเก็บไปทุกสิ่งทุกอย่างทําเห็นเป็นบางสิ่งบางอย่างท่านเลยย้อมเก็เลยพอเก็บไปว่ามันเป็นเกดเป็นใครเก็บไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะกหล่นอื่นเข้าใจหรือใดความรู้ความดีอะไรท่านจะปิดเอาไว้ท่านพูดไม่พิจาาในเรืองขง่นวาดภา เขีย ถ, ถึงนี่ตามเทวน า, าที่เกิดเทว น, ะนา่ะยะปัญญาเป็นอย่างนั้นเป็นการเท่งคนไม่ใช่จะเป็นแต่คืออาจารย์ลึกลับตั้งแต่ตอนนั้นตานนั้นทึ้งทันนั่นเปนนี่ตาเขื่อคนอื่นเขี่อตัออออวของตัวน่าก้แต่แต่พระ นับถือถถทัศน์ทัศน์ธรรมขาริยสงฆ์แต่ทาต่ า, เ า, เานเหล่านั้นแอนได้แต่เพียงแค่ตากชั่งชั่งเราคอยใจกเคอยใจเพียงแต่หนีโดยสร้างจิตคิดตามเท่านั้นแต่ให้มันแจ่มแจ้งครับเพลินแจ๋วเกจขจิบใจสี่ของสิตต่างๆให้โตออกไปนั้นยากหนักแนอหน า, น า, าสาสติหนาสาจาัญญาห น, นาสาธรรมะเกิดกับเรา ธรรม่เกจากเราเึ็นเป็นของขงเราอย่างจริงจัมันเลยหยุดยืนมาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติทั้งตัวมันป็นเชื่อสังใจการปฏิบัติเป็นเป็นเ่งสคัญที่เกิดเราทั้งทุกคนจึงมีหลังความสุขความเรอญช่างใจจะต้องกต่ทำบเพ็ญ ให้ดีให้เห็นให้ดีให้เด่นถ้าจิตใจนี้ตัวยุ่งใหญ่ตัวการใหญ่ที่จะแก่ทุกข์แก่ทุกข์ให้แตัวเครองตัวส่วโรคภัทยทางหพทยนั้นมันเป็นการจนสมัยมันเกิดขึ้นแต่เตอนที่เหลือปัญหาทงใจนี้เราจะนั่งอยู่ดีๆแล้วก็เกิ ด, ดขึ้นโดยที่มีนอื่นไหม ดามาว่าแบบนี้อะไรนะภายหนมาเกี่ยวข้อมันก็เพิขึ้นจริงขึ้นวามจริงแล้วมันหลงอารมณ์ทั้งใจตัวเองเป็นเรื่องสงคัญจิตเกดทุกทางใจเข้หลงอารมณ์ทั้งใจผู้ทยากรณ์ก็จะแก้ไขจิตใจที่หลงอารมณ์อยนั้นให้มันขาไปหมดไปให้มันพันการพันสมัยชาหักไม่ขาด มันเกิดเหน่อยะไรไปไขาใจเหนื่อนั้นแล้วก็เลยตัดใส่มันออกใส่เหมือนกันกับทองสุกระเบิด้องหน้าท้งเนื้อท้สีไหน่อยงง า, า, า ง, างยนยืดีพอจิดเบื่อเ ก, อขขอขอกิข่าชองเราหรเหนือยตายช่องเราเราจะต้องรีดตัดใส่้าออกใส่ถ้าสงเหล่านั้นเราเกลียเราไมยืนดีเราไม่ชอ คนอื่นถั่วไตเขาเห็นขเขาเขากาตันหนึบ เ, เท่งินทายันเลสนยนยางเหล่านั้นจิตใจัองนักปฏิบัติถั่วไตก็บทำงาน เ, <c oughs> เยอะจันเห็นกิเลสตันหาเห็นความเถืเสียอารมณ์สัญญาขงใจเมืญญ่อนันเกิดขึ้นเกขึ้นเดินท่าว่าอันนี้เป็นอารมณ์ที่อยากถือเถื่อถือเสีย ทำให้จิตใจร้าวนคุนเมื่อทำให้จิตใจเพื่อเสียไปตามอื่อเราทราบเวลามันเกิดขึ้นเราก็มีอุบายมีปัญญามีทางที่จะรักษามีทางที่จะรงจะงับมันเหมือนต้นกับต้นใจพอเกิดขึ้นจากต้างในจิตทถวนั้นแต่มันจะ ไ, ไม่แม่โดยเขาที่อื่นเราจะรั บ, บมันเสีย มนตอนจะหารับดับเพลิงน่าจะที่ไหนล้วไตเท่านั้นมันจะดับได้ถ้าไตมันมีจำนวนน้อยมันยังไม่ลุกไม่ใหญ่โตอะไรดับง่ายมัเสียอยู่แล้วลาบากจากยงนี่น้มันเต็นแดบนั้นใจกันไว้ถ้าน้ำไหลไปจนวาดตายแล้วถึงจะหาอะไรมาดับมันลำบากแต่มันจะดับได้ จนที่สุดแ ข, ข้งแข็งแบนแ่องยับเยนินไปหมดกำลังเดียวกันวารเสียดสีการเสียดเราข้านมันจะปวดขึ้นจากภายในัวขึ้นจากเส้นน้อยเยอะกั่แต่แค่ว่ว า, ว า, า, าเราตระหนักเนียนเฉยราไม่ได้คิดหาทางแต่้างัดัดมันมันจึงปวดใหญ่โตขึ้นเลือดจนที่สุด ด, ด, ดับไม่ได้ แข็งท้าจิตใจแ้นตลอดเวลาเี่ความประมาทของใจมันเป็นด่างนั้นท่านสองท่านพท้ายเจ้าท่านจึงสรุปในตอนจตปรินิตพทานความใ้เรื่องเราท่านในตระมาทสังขารสังเวีมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาทั้งมัน ความเลี้ยงไหลใส่ฝันทั้งจิตความยึดหมายทั้งจิตในป็นอย่างนั้นมันใส่สันยึดหมายอะไรถึงสิงนั้นจะเสื่อมไปเสียไปมันยังยึดหมายอยากจะให้มันคงถี่ดีนะมันยังยึดหมายอย่างนั้นอย่างนี้ถ้เกิดทุกข์เกิดโทษเพราะคามในเห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆปัญญาในแหลมคมแค่ที่จะ อารมณ์ขันยาตสองใจได้แต่นั้นการภาวนาการปุศราสการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตใจท่องจิตเราเองการฝึกการสงบในใจคนอื่นเขาจะหามาให้น่ากตัวท่องจิตเราท่านจะหามาให้ตัวท่องจิตเองจะรักษาตัวท่องจิตเองถ้าเราไม่ทำเนี เมืนที่นี่ที่เจรินะเหมืนศึกษาแต่ปัญญาที่จะเก้ไขจิตใจนั้นมันก็เกดขึ้นแต่เติมขึ้นถพอเราํารงรักษาเหมือ น, นถือข ต, ต่างๆที่เราปลูกเอาไว้มันง่ออกจากเน็ตข้งมันใหม่ๆ ม, มันก็เล็กนิดเดียวแตถูกบำรงอยู่เรื่อยรักษาอยู่เรื่อยมันก็เติบโตขึ้น <c oughs> เหตผล้ น, นั้นธรรมดาธรรมะสติปัญญาจะทำงานเดียวกันเรื่องสนมันก็ะเล็กนะเยอะกว่ากกแต่อาศัยการไม่ประมาลักษาทพยายามติตตามประทําไปเรื่อยเหตุผลที่สุดสติก่อตาปัญญาต่อคมสามารถที่จะสาบทันจับที่เหลือปัญหาให้ขาดออกไป จากใจเคร่องนี c c là, á, ่คือการปฏิบัติไม่ปฏิบัติที่อื่นพระคำคำแสง้ไม่้ยเจ้าก็บอกอยู่แล้วเออปัญญายโกคือนอนสมาคืาราจใจเคร่งสืออาไส่งไปที่อื่นถ้าส่งไปที่อื่นส่งเรียนไปจนจบแ้าไปตีบอกก็ไม่มีทางที่จะแกไขที่เหลือปัญหาออกจากใจได้ถ้าน้นมาภายในไม่ต้องรู้ มแม่เถ่าใแต่เท่าไรหรือจริงเข้าใจจริงม่อดในทำแต่ฟ้าแม่แก้ไาออขับไล่จิตใจที่สงสัยลังเลยจิตใจที่ร่เรีนเตรียมตั้ให้เขมงวดแล้วนะทำนะ็น เ, นเออตอนนี้ยี่โกเคือน้องสมาทายใ น, น, น, นอย่างนี้นตาเหวนหนูได้ยนินแต่งน้ำมาไม่คิด ฝึกสอนจิตทั้งตักเพื่อใจะม่ให้จิดใจหลงไหลใจสั่นบ้าบาไปตามอารมณ์ัญงาโลกสมุทรับถ้าทำเป็นเ่ยเคลื่อนแต่แส้ั้งโลกสาเห็นอย่างนั้นเทนิยมอย่างนั้นจะ่ทำตัดตรงกันข้างที่จะลงมาหาทางจะ้ไขขับไล่จิตใจ ที่คล่องจิตจิตที่นี้พี่จนะมาศึกษาปีิบัตธรรมะอย่างนี้ทุกคนจะต้องมีความเย็นเย็นใจในมีความเลือ่อมใสศรัทาในธรรมะของพระเจ้าเจา้าตัวของเราเองก็เหมือ น, นันเสียตัวของเราดไหวจิตใจโดยปตระรลเลยไป เกี่ยวของกับต้งดาอารมคือเกี่ยวคือเสียอย่างนั้นอย่างนี้เกวตาที่เจ้านะดูความเป็นไปขงใจเห็นด้าสะอาดแห่งใสถึงคนอื่นเขาจะไม่เห็นไม่รู้ในเรื่องของเราขอตามนั่นเป็นเรื่องของขาเขาจะตั้งมืมุ่งพาตากิจเราจะตาม แต่เราตัวเชื่อตัวหายใจแต่ตัวทั้งเรานั้นไม่เป็นไป ต, ตามเรื่องตมันบริสุทธ์แส็งใสสงบเอียงยนต์อย่างเราเราสร้างเราเห็นมันมีตามดันไหวรปตามคำสั่งละเอียอนิ้งขาทั้งโลกนี่คือมีความมีความสุขความส บ, บายเพาะการในวันไหวในเอียงเอียงไป ต, ตามเรื่องของโลก ขันพอใจขันเห็นจริในภายในแต่การศึกษาทนการปฏิบัติทานั้นทุกคนมีสุขในใจชาติมาฐานชาดำดำอยู่ตายอยู่เผาเถนั้นกิเลสมีอยู่ในหัวใจของใครคนนั้นแหละมีทางที่จะแกไขมีทางที่จะปฏิบัติถ้านั้นเหมดี่เลดไปเหนื่อยทำนะ ่กรนีคนข่าอะไรเหมือนกันกับคนไข้หายแล้วมันมีโรคไขอะไรเบียดเบี้ยมยากรณีคนฆ่าเพราะยาเขามีไว้สาหรับรักษาโรคไขไขหนาว ห, หายไปเท่านั้นคนที่ทานอาหารอิ่มก็นเหมือนกันในจานจนที่จะทานอื่มในเวลาที่อิม่มอยู่นั้นแต่อาหารทานแล้วมันมีหิวส่วนทํามนะนั้นถารู้ถ้าใจา ถึงขั้นจริงจังเงียบเงียบเวลาใจหิวอึดเราจิตใจทานทำไมเป็นอย่างนี้เกิดเช้งสายลังเลใจมันไม่มีไม่จะมีมาจากที่ไหนสมมติเที่ยวไปจิตเราเคยปฏิบัติสงบสงบละเอียดอ่อนขนาดไหนเคยผ่านมาจนถึงที่สุดว่าจิตใจหลุดออกไป จะสมมติอะไรล่ะคือจะเข้าไปกาะเกี่ยวขางุดในสิ่งเหล่านั้นทราบดีว่าไม่มีอะไรอีกการละการบำเพ็ญของใจเนื่อมันถึงขั้นนั้นยิ่งในใจเป็นอะไรในเรื่องของอักข้องคแต่ธรรมดานักจากท่านก็ไม่ทิ้งเหมือนกันกับเสผีทีงไม่มีขนาดไหนเขาก็ยังมีการทำมาให้กินกันไป ในเบื่อในชอบของเงินทองของเข้าพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกก็ทงานเยอกันแต่ท่านในทาเพื่อการละในทาเพื่อการบําเทิงทำทาเพื่อเป็นวิหารแลรทเพือเรานั้นในเป็นอย่างนั้นทเพื่อแกไขขัดไล่สึงผิเพื่อเสียของใจมันจึงผิดกันคนละโลกแต่ถึงอย่างไรก็ตามตามที่ท่านยังหนึ่งจนนึ่เห็นหนึ่รู้่าก็ปฏิบัต การไปแบบพวกเราท่านะ่ที่ปฏิบัติแต่นั้นตารพฏิบัตของพวกเราแม้มนมีข้อเสียหายทำไปได้ในว่าผู้หญง้ายไมว่าสล้ว่าหรือลกเบื่อที่รักการสงบอยากจะพ้นทุกการเจอมจะต้องต่างหน้าต่างตารักษาปฏิบัติจะเห็นมันจนมันเห็นมันรู้โคขึ้นมาที่เดียว มันเป็นไปได้หารได้นนยินได้ฟังก็ทำงานเดียวกันพอพวกเราท่านไม่ใช่สิบตาพิญญาสุตขาปะิประปาทาสิบตาพิญญาหมายถึงผู้สี่มีปัญญาเสียบแหลมปฏิบัติง่ายสุขสบายไม่ต้องยุ่งยากลำบากพอานนี้สอนแถวนั้ น, น, นยิดใจทั้งท่านก็เข้าถึงคือสุจริตตันน้ง หนึ่งท่เราท่านเคยได้ยินได้ฟังกันมานับการหน่ยะยัดการเถิดการอธิบายนับคือนับอาจารย์หน่อนได้มันจนพวกทุกข์ขาปฏิปทา ท, าทาทันทาพิมย่างปฏิบัติยากปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ก่อท้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามจำเลยหนึ่ง ไปจากความพยายามของเราเราพยายามทำพยายามทนี้ที่เจอนะพยายามปฏิบัติมีวันใดวันหนึ่งทางนั้นจิตใจของเราจะเข้าถึงทำเมีอันบริสุทธิ์ทางพระพุทธพพาสุดทันจึงใจว่าเยือยๆนะที่สมัคริต้องจะรวมทุกได้แค่ความเพี่ยงเที่ยงพยายามไปแล้วไปถอยหลัง อย่าไปข้อใจอย่าไปใส่ร้าตัวเองว่าอาพับอาวาแคนะ้ปฏิบัติในเห็ น, นในตนในจอย่าไปใส่ร้ายาอย่างนั้นเรามีหน้าทนะี่จะประเภทปฏิบัติกิหลดมันมีแน่เจ็บแก่ไขทับไล่มันด้วยใจปฏิปัญญ า, าเป็นยารักษาที่เลสแก่กิเลสแต่านดาเหลื่อยนใจนมีโรคไข่ในอย่างนั้นก็จะมีรันนหาย ให้แต่เรนเฉยกับยานี้ไม่มีคุณค่าโรคใคท้างเราจะหายขาดไปเดือดใจในทานยาจะไปคิดอย่างนั้นโรคบางสิ่งบางอย่างรักษามันเพิ่งจะหายบางสิ่งบางอย่างไม่รักษามันก่อหายบางสิ่งบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษามันก่อตายมันมีโรคหลายอย่างอย่างนั้นโรกประจันผาดขัน โรคประจันจิตใจนั้นจะต้องรักษาขึ้นจะหาไม่ใช่เราอยู่ๆจะเห็นมันหายไปเหมือ น, นเป็หลับเป็นไอโดยไม่รักษาถึงนั้นถึงเวลาถึงกนหนดมันก็หมดไปเองในจุดอย่างนั้นพระทจ้่านสั่งมาลีมามากม า, าห ล, หลหายาหลวงเพื่อจะแก้จี่เวทปัญหามาลีเ่านั้นก็มฟ้ามากที่จะแก้ไขขาดไร ให้จิตใจของท่านบริสุทธิ์ง่ๆตอนตอนที่ท่านจะได้ดีมุดเป็นพุทธะจริงจังภายในกว่าจังอาศายหนงภาวนาทำกันอย่างจริงจังแครบร้อนแคบตายเนจริงรู้เห็นเป็นศาสตาสุรโลกไดออ้อยู่ๆอยากจะเหตุเฉลี่ตั้งหามันหมดไปจบ ไ, ไปอย่าไปคิดอย่างนี้พยายามทาไปฝึกไปปฏิบัติไป ในหัววิสัยการทำจริงจะเห็นจะเข้าใจชัดเจนว่าธรรมะนี้มีคุณค่าธรรมะนี้มีความสุขธรรมะนี้เป็นของดีเกษตรสุดยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปนะล่ะแต่เราหูเราเข้าใจเราปฏิบัติในเห็นในใจในยินในสบายธรรมะนั่นก็มีคุณค่าสาระอะไรถึงเราจะแบก ไปบาไปข่วนปีศาจธรรมะที่เราเดือบอยู่นั่นก็มีทางที่จะแก้ไขคาบไล่จิตใจให้หมดไปจากที่เหลือนอกจากเราจะลงมือไปปีบัดดูแลรักษาอาวุธสัญญาของใจอะไรที่ขี้ขี้เสียขี้เป็นสมุขใครเราหลุดถาบไล่กัรจับมันออกไปอะไรที่เป็นกนะกอกลนำม า, ม า, มารักษา ให้มีกำลังเ้ามีคพิมขึ้นแต่รเราจะเิะเสธปฏิบัติด้วยอย่างนี้รักษาสติรักษาปัญญารักษาอารมณ์ของใจความยิ่งเย่อหุนวายต่างๆของใจใส่เบาไปสบายไปพอใจมีหน้านะที่อย่างเดียวถ้าไปคิดธรรมะที่จะอาภรณ์จนะไปคิดตายโลกตายที่เวิตตั้แหามันคิดห น, น่อยคิด ถรามันมี้นาที่อันเดียวเท่านั้นถ้ามันไปคิดเรื่องของโลกของจิตรวตัญหาทำน่ะมันจะตกไปแต่นั่นใจมันมีหนะที่อันเดียวเราจึงประทับปรองใจถ้าอยู่ในวงของทำน่ะจิตรวตัญหามันมีโอกาสเวลาที่จะมาขอบเงินได้งไงหมายถึงจิตลวข้างนอกแต่จิตลวข้างในกือจิลรวต้องใจเอง สิมันเคยหมักแดงมาก่อนเราพยายามเน้นสอนแกะไข่ตึกเรื่อยไปจนมันตกขาดในนี้ใครถึงจะมาบอกอ่ะท่านหลุดท่านพ้นเล้วนะท่านเป็นอาหัดอาหันแล้วนะท่านจะมาจาดมาสู่พบจุศาสตรอีกนะในในใครมาบอกก่อนตามถ้ามันเป็นมันเห็นมัน้วในใจมันพลาด ทำมาเป็นสันทิฏฐิกโกเห็นเอนแต่นคนอื่นจะมาบอกให้ใจวุ่นวายใครหนึ่งมาบอกเราก็ฟ้าใจสงบไมนมีคนอื่นนะรับรองให้แล้วก็ฟ้าเพราะทำมาเป็นจัดจัดตัตต้งเป็นสันทิฏฐิกโกอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านทีทากันสาทุปฏิบัติอย่าไป คิดทอขอยพวกเราท่านั้นพื่ที่จะสือเรื่องพ ร, อะง ร, อระพุทธศาส น, น, นาแล้วม่มีใครอื่นพวกของเราแต่เพื่อปฏิบัติไม่ได้ทอเทอะแอ้มเอะในตัณหาตังตาปฏิบัติเอาจริงเอาจรงให้ศาสนามันติอสื่อมไปเสียไปเพราะจิตใจของเราหนึ่งหเห็นหน่รู้ ตามจจาตาาตาเป็นจริงคือพระพุทธเจ้าเห็นทารงเราปฏิบัติด้เห็นเด่ น, นชัดในอดในธรรทุกสิ่งทุกประตารไปแล้วคนอืน่นเท่าโลกเขาจะเท่าจะเคลียไปอย่างไรเาาขาจะไม่รวมใส่ศรัทธาเป็นเรื่องของไขเขาจะบนน่นยากต่าสนามหมดมากหมดผลเลยนะใครจะปฏิบัติ แต่อย so ่างเราจะไม่มีวันมีเวลาที่จะบรรลุธรรมะได้เราจะไปหลงไหลใส่ฝันบ้าบอไปตามเงาตาของเขามเพรใจของเราเห็นใจของเราอยู่อยู่แล้วไม่มีวันมีเวลาที่จะวันไปย้อนหายไปตามเรื่องของเขานี่คือธรรมะคือเราเห็นเราเป็นในกามตัตน มันไม่ได้เอวนเอียงไปตามเรื่องเล่นปากทั้งโลกตามสมุดทั้งโลกจุดมันเย็นจิดมันสบายมันไม่ยื่งยากก่อความตัวเองแต่ใครปฏิบัติได้ดูเห็นเจริงจิงแล้วมันสุกมันสบายมันไปสอดโยรู้สึกดังนั้นคนถั่วไปถึงมีกินมีใช้ ทุกสิ่งทุกอย่างกวนเป็นทุกเพราะทุกข้อใจเพระทุกข้อใจหรือริยเจ้าท่านอยู่ตาอยู่เขาแข็งทันบริเวณทานก็ไม่รู้อยู่ราสาราฟองอะไรอือเหลนมาท่านก็ไม่เห็นว่าท่านเจียหายนายอยากได้อะไรอีกเพราะใจบริสุทธิ์ใจสงบใจสบายนั้นใจสิตที่ไหนก็ไปเถอะมีความตุขความสบาย ถ <arda Hindus S 3> ึงสิ่งอื่นจะไม่รู้หลางงานตาคนทั่วไปจะตำหนิมิ้นทาใจใจทั้งสะอาดใจทั้งสนอาดใจจัดวิเลดตันหาท่ามีความสุขความสบายประเสริฐวิเศษมากหากใคอยากจะเห็นอยากจะเจนอยากจะรู้อย่างนั้นจงพากันลงเมือจะเพื่อปฏิบัติกันรจะเห็นจะเจนในจิตในใจทั้งตัวท่านอยากสิ่งใดมีมาก่อนก่ควรจิตใจให้ทุกอย่างไรนั้น มันจะหมดจากขา จ, จากจิตจากใจของปู่ิละถู้ถอนด้คือปฏิบัติถึงอาจถึงธรรมจริงจังนี่คืออาวุโส่คือเราผู้ปฏิบัติจะได้รับจะได้เห็นจาตาก้กระทำบำเพ็ญเครงตัวฉะนั้นขอพุกท่านจง น, นำธรรมเนีเขืยที่ายมาไปศึกษ า, ต, า, าตั้งแม่ต่างตาปฏิบัต เพราะกิเหลสมันมีอยู่ที่อื่น <c oughs> มีอยู่ที่กายที่ใจของเรานักขุก็อยา่าไปไข่ใจว่ามันจะมีที่อื่นมันมีอยู่ในที่เดียวกันแล้วบัตใจแ่านั้นความเมตต์มันก็เกิดขึ้นและติดใจแ่านั้นความสว่างมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันขณะเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นมัน ม, มีอะไร อย่างสิตใจกับถนองเียกันท่ามีอาจมีธรมท่านยนงไสงสัยว่าพระพธเจารินพานไปสองันหาล้กว่าปีนักสมก็มีแม่เพื่อปิบัติถึงอาจถึงธรรมท่านัมีธรรมสงสัยอย่างนั้นท่านเชื่อมั่นว่าธรรมะเป็นอาตาลรโกจินในมีตาใช้ต่างหน่ต่างสาศึกษาภาวนาละชื่อหรืคนนั้นจะมีความเย็นคนนั้นจะ มีความเห็นความรู้แจ้งไม่อาดในทางฉะนั้นพวกเราท่านจงพากันตั้งมั่นในตามธปฏิบัติอย่า ไ, ไปถอดถอยอย่เราอ า, าพอ า, าบาดศาสนี๋ยวาไปคิดว่าศาสนาเรื่องงานห น, น, นึการปฏิบัติจะไม่เห็นไม่เป็นไปให้ก็ทุบทธุบที่เหลือตัณหามันยังมีอยู่ในใจมันไม่เห็นด่า การนี้สมัยนี Poke, ้มัาลาสมัยโตละหมดสมัยโตละวิเลตปัญหามันตกคนจะหมดไปมันมเห็นมันเป็นไปอย่างนั้นมากผที่จะเอาท่านสงสัยแตทำนองเดียวกันหาแต่เพื่อปฏิบัติมันจะเห็นจะเปนสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรวิมุตเป็นอย่างไรจะเข้าใจโดยนี้ต้องไปตถามคนอื่นพอมันเห็นมันเป็นมันเย็นมันสบาย มันถอดมันถอนมันละมันวางในใจนี่คือการปฏิเสธปฏิบัติต้องเห็นต้งเป็นในตัวของตัวอย่างนั้นจึงมีสัตวาเชื่อมั่นในวันไหวใช้แต่ว่าอย่างไรหน้าที่ของเราคูอตั้งใจปฏิเสธปฏิบัติจะต้องตั้งหน้าตั้งตาปฏิเสธปฏิบัติเรืยไปนี่ทำนะคืออธิบายนา ไม่ยอยู่ในป่นาไม่ไดอยู่ในเมืองไม่ยอยู่ที่อื่นอยู่ที่กายรใจาสิตของเราเราทุกคนที่มีตายมีใาจามีจิตควรน น, นไปที่นี่ที่แกเนะ น, นี่ยควรนำไปประปฏิบัติเพื่อกาจัดขับไล่จิตใจที่รุนยงในอารมณ์สัญดาต่างๆให้ตกออกไปใจจะสว่างสวายใจจะเป็นสุข ทุกคนเจ้างำธรรมะเขียนทีบายมาไปที่นิตที่เจรนาต่างๆต่างตาต่างเพศปฏิบัติแต่จะนั่นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นหลักเ้งควรเสียเวลาใช้จิตเพียงเค่นี้เอวัง